กับพระกาศพระอาจารย์ยุกิและพระอาจารย์บัณฑชัยแล้วก็เพื่อนทำพิธทุกท่านนะจเจิญผ่อนไม่ขีแล้วก็ยติธรรมทุกคนเนาะ น, นั่งฟังกันตามสบายนะทำใจสบายๆนะทำใจสบายๆนะให้เป็นธรรมชาตินะให้ร่างกายเราผ่อนคลาย ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะให้จิตใจเป็นธรรมชาตินะติดใจธรรมดาธรรมดานะ <c oughs> บางทีเราก็จะไปคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่มันต้องไปทำอะไรที่มันผิดธรรมดานะ <c oughs> เพราะที่จริงธรรมะนะแปลว่าธรรมดา <c oughs> ธรรมะแปลว่าธรรมชาตินะ อืธรรมะที่แปลว่าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องธรรมดานะพูดเรื่องธรรมชาตินะนี่แหละนะดะงนั้นเวลาเรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็มาพูดนะเรื่องธรรมดาธรรมดานี่แหละนะรวนะมทั้งการที่เราปฏิบัติธรรมก็ก็ให้ทําตัวเป็นธรรมชาตินะ ทำตัวแบบเป็นธรรมดานะเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละนะแต่เราก็มาศึกษานะว่าในความเป็นธรรมดาในความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะคือในธรรมชาตินะของของชีวิตเรามันมีอะไรบ้างนะียเรามาศึกษาตรงนี้นะทัา น, นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะก็คือการมาศึกษาธรรมชาติของชีวิตเนี่ยนะ อาจจะไม่เหมือนกันที่เราไปเรียนวิชาอื่นๆนะอันนั้นเราไปเรียนรู้ธรรมชาติของเช่นชีวะก็ไปเรียนรู้ธรรมชาติของพืชของสัตว์เนาะเคมีก็ไปเรียนธรรมชาติของธาตุต่างๆนะวิชาอื่นก็จะไปเรียนรู้เป็นเรื่องข้างนอกไปนะแต่การเรียนรู้ธรรมะคือการกลับมาเรียนรู้ นในชีวิตนี้นะชีวิตนี้มีธรรมชาติอะไรก็ก็มีกายแล้วก็มีใจใช่ไมืมเนี่ยธรรมชาติของชีวิตก็คือมีกายกับใจนะธรรมชาตินะเราเกิดมาเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะแต่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยะนะเราไม่ใช่เราไม่ใช้กายกับใจ ไปด้วยกันนะร่างกายทาอันหนึ่งนะจิตใจก็ไปทาอันหนึ่งนะเนี่ยเราทาตัวผิดธรรมชาติเลย น, นะโดยธรรมชาติของชีวิตแล้วกายกับใจเข้ามาด้วยกันเนาะแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยเนาะกายก็ไปทางใจก็ไปทางนะใช่ไหมเดินนะร่างกายเขาเดินนะแต่ใจก็ ไปไหนก็ไม่รู้นะไปคิดนั่นคิดนี่นะกินข้าวนะร่างกายกินข้าวนะใจก็คิดอะไรก็ไม่รู้นะนะก็เลยกินข้าวกับความคิดอนะ <c oughs> ไม่ใช่กินข้าวกับกับข้าวทั่วไปนะกินข้าวกับความคิดนะอืมแปลงฟันร่างหน้าอะไรก็แล้วแต่นะกายกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันนะ มันไปคนละทางมันเหมือนคู่ชีวิตที่มันมันไม่ได้มันเดินกันคนละทางน ะ, นะแยกทางกั น, นคู่ชีวิตของเราคือกายกับใจเนี่ยเป็นคู่ชีวิตจริงๆน ะ, ะคู่ชีวิตที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาอันนั้นเป็นคู่ชีวิตแบบสมมติน ะ, นะ อยู่ใกล้กันบ้างอยู่ห่างกันบ้างเนะ่ยอันนั้นมันก็ออกไปได้นะแต่กายใจนะถ้ามันมันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์นะมันจะเป็นโทษเป็นทุกข์นะให้กับชีวิตของเราเนาะวิธีการฝึกก็นเนี่ยแหละนะฝึกฝึกให้กายกับใจเขาอยู่ด้วยกันนะ กายทำอะไรนะใจก็รับรู้นะเนี่ยฝึกแบบนี้บ่อยๆนะที่เรามาสร้างจังหวะมาเดินจงกรมหรือว่านั่งนะาณาปานสติอะไรก็แล้วแต่นะก็คือฝึกให้ให้กายกับใจเขาอยู่ด้วยกันนะแต่คำว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แบบไปบังคับจับมัดกันเหมือนข้าต้มมัดนะ่นนะมัดกันเป็นคู่ ติดไวนะ้ไม่ให้แยกกันเลยนะเออไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าไปมัดกันไว้เนะี่ยมันจะอึดอัดนะมันจะอึดอัดนะแต่ให้มันอยู่โดยการที่คือกายกายทําอะไรเนาะใจก็รู้นะนะอย่างเราอาศัยนะเดินจมกลมนะก็ไม่ใช่เดินเอาเดินให้มันฆ่าเวลาเฉยๆนะเราก็เดินนะ ากายเดินใจมีสติเป็นผู้เห็นนะว่ากายเ้าเดิ น, นเรารู้สึกตัวนะการที่เราทําความรู้สึกตัวก็คือเนี่ยแหละเห็นตัวเห็นตัวเขาทางา น, นาเช่นกายเดินใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้หรือกายตอนนะี้มันนั่งนะเรานั่งอยู่ก็รู้สึกตัวขณะที่นั่งนะ ไม่ต้องไปพูดก็ได้นะเรากำลังรู้สึกตัวหรือว่าเรากําลังนั่งอะไรนะไม่ต้องพูดนะรู้สึกเฉย <c oughs> นะเหมือนคล้ายๆเหมือนพัดลมมันกระทบอ่นนะ <c oughs> ก็แค่รับรู้มันนะไม่ต้องไปพูดวเออลมกระทบอ่าไม่ต้องไปกําหนดไปต้องไปบ ร, ริกรรมมันเพิ่มนะอันนั้นมันจะไปอันนั้นมันเหมือนไปเรียกชื่อไปติดป้ายไปให้ค่ามัน ไม่ต้องไปให้ค่าแบบนั้นแค่รู้สึกเฉยเ น, ะนาะเนาะเดินก็รู้สึกยกมือก็รู้สึกนะหายใจก็รู้สึกนะก็พิบตาอาปากก็แค่ทำความรู้สึกในการกระทำนั้นๆนะแต่ขอให้การกระทำนั้นๆมาเป็นความรู้สึกตัวนะที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็เป็นปัจจุบันนะ ไม่ใช่ไปรู้สึกนะเมื่อนาทีที่แล้วนะอันนี้มันนานไปนะอืมแล้วก็รู้สึกตัวนะอย่าไปรออย่าไปคอยรู้นะบางทีถ้าเราอยากรู้มากมันจะไปคอยรู้นะอย่างเช่นแบบนั่งนะจะไปคอยรู้จังหวะที่พลิกมือแล้วนะั่นนะไม่ต้องนะนะอย่าส่งใจไปรออยู่ที่มือแล้วก็ไปรอดู าการพลิกมือหรือบางทีเราจะไปดูจิตดูใจก็ไปคอยดูว่าเมื่อไหรมันจะคิดนะคิดมาปุ๊บเนี่ยจะจับมันปั๊บทันทีเลยนะไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นเรียกว่าส่งใจไปคอยไปรอไปดักไปเฝ้านะไม่ไม่ทำแบบนั้นนะแต่กายเคลื่อนไหวปุ๊บนะรู้ทันทีนะไม่ใช่ก่อนแล้วก็ไม่ใช่หลังนะ มันมันยากตัวเนี้ยนะมันยากตรงรู้นะพร้อมกันทันทีนะนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ได้ตลอดเวลานะกนะานที่เราฝึกนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาตลอดเวลาถ้าเอาตลอดเวลามันจะกลายเป็นเราไปเฝ้ารอไปเพ่งไปจ้องไปประคองไปบังคับนะใช้คำว่าให้รู้บ่อยๆนะ ระลึกนะสติแปลว่าระลึกได้คือเนี่ยระลึกบ่อยๆนะระลึกรู้กายรู้ใจบ่อยๆเนี่ยคือระลึกบ่อยๆนะแต่ถ้าแบบจะเอาตลอดเวลาไม่ให้มันโดงเลยนะไม่ให้มันคิดเลยเนะี่ยมันจะ <c oughs> มันจ ะ, ม, นจะมันจะเครียดนะอะ่มันจะจ้องนะอะ่มันจะไปห้ามความคิดมันจะไปไปคลองตัวรู้นะ ให้รู้แล้วก็จบลงทีละขณะเนาะรู้จบรู้จบนะทีละขณะนะให้มันรู้เป็นทีละขณะนะเก้าหนะึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งเก้าใหม่ก็รู้ใหม่9้าต่อไปก็รู้ใหม่นะที่จริงถ้ารู้นะทีละขณะนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะมีแต่ปัจจุบันนะของจริงจริงๆก็คือมีแค่ปัจจุบันนะนะอดีต ลืมไปแล้วก็ช่างมันนะเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวใหม่ก็รู้อันใหม่ไปเลยนะถ้าวางใจแบบนี้นะหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงไปกายก็ไม่ยังไม่ได้ตายนี่ <c oughs> ก็ยังรู้ใหม่ได้นะใช่ไหมไม่ใช่หลงแล้วก็ตีโพยตีพายหลงแล้วโอ้ทาไมมันหลงหลงแล้วแย่หลงแล้วไม่ดีนะอะไรนั่นอันนั้นดื่มตัวไปแล้วนะหลงอีกเป็นหลงซ้อนหลงนะ โทษตัวเองซ้อนเข้าไปอีกนะไม่เป็นไรนะนะรู้สึกตัวบ่อยๆนะเท่าที่มันรู้ได้นะนะจะเดินกี่ชั่วโมงจะยกมือมากเท่าไหร่ก็ดูให้มันบ่อยๆก็พอนะดูถ้าเรารู้ตัวบ่อยความคิดมันจะสั้นลงนะนะนะความคิดมันจะสั้นลงนะ แต่ก่อนเคยคิดยาวนะเคยหลงนานนะโกรธนานนะหลงไปคิดเรื่องนั้นนานนะพอใจไม่พอใจมันนานนะแต่ก่อนเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีสติได้บ่อยขึ้นนะมันก็ยังคิดอยู่นะมันก็ยังหลงอยู่นะแต่มันจะท่านลงนะแค่นะคือเราจะเอาความรู้สึกตัวเข้าไปแทรกนะแทรก ในรู้ทันขนาดที่มันเผลอไปนะรู้ทันขนาดที่มันหลงไปคิดนั่นแหละความคิดก็จะสั้นลงของมันเองนะอืความหลงมันก็จะคล้ายๆไม่ขยายไปมากนะแต่ถ้าเรามีสตินะบางทีเราก็จะเห็นว่าวันวันหนึ่งนี่มันดงทําไมมันดลงเยอะขนาดนี้นะแต่ก่อนเนี่ย ไม่เคยเห็นว่าแต่องหลงเยอะขนาดนี้นะเพราะคล้ายๆพอหลงไปแล้วนะก็ก็หลงยาวไปเลย <c oughs> ถ้ามันไม่ทุกข์มากนะถ้าไม่หลงด้านทุกข์เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าหลงด้านไหนเพลินๆเนี่ยสังเกตไหมมันจะยาวนะยมสังเกตไหม <c oughs> ถ้าได้ไปเที่ยวนะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปกินอะไรอร่อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่เพลินมากเลยนะ มันเพลินว่ะ ม, มันพอใจมันไปไกลนะเห็นอันนี้เอ้ชอบก็ดูไปเห็นอันใหม่ก็ชอบก็ดูไปอมีแต่เรื่องชอบชอบมีแต่เรื่องเพลินเพินเนี่ยวันวนหนึ่งเนี่ยหมดไปเร็วมากไม่ค่อยเห็นนะแต่บางทีความทุกข์นะมันก็ทําให้เราเห็นง่ายนะอย่างโทสะนะความโกรธความขัดใจเนี่ยขัดใจแล้วมันก็ มันก็เห็นร่างกายมันร้อนนะร่างกายมันร้อนเราก็เห็นกายมันร้อนเห็นกายมันอึดอัดนะเห็นหายใจทีหายใจแน่น้ะอกอกเไหมนะอืมหอเห็นรู้สึกปวดหัวอะไรไหนะเนาะเราก็เห็นกายมันผิดปกติมันก็ย้อนให้เราเห็นใจอ้อใจมันโกรธเนาะอะไรนะอืมหรือบางคนก็เห็นใจที่มันโกรธเลยก็ได้นะได้ทั้งหมดะนะนะ เนี่ยเราก็ฝึกให้รู้แบบนี้บ่อยๆไม่ได้ไปห้ามความโกรธนะโกรธได้นะแต่โกรธเรารู้น ะ, นะให้เป็นธรรมชาติคืออะไรจิตมันยังมีเรียกว่ามันยังมีเชื้อของกิเลสอยู่นะแต่ไม่ให้มันขึ้นไม่ได้นะคล้ายๆเหมือนกับดินนะมันมี มันยังมีไม่็ดของยาไม่็ดของอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในแหละนะเราเอากระถางไปทับมันไม่ขึ้นก็จริงนะแต่ก็ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะทับได้ตลอดเวลาเอากระถางออกมันก็ขึ้นเชื้อความโลภความโกรธความหลงในใจมันก็ยังมีนะเราไปห้ามให้มันไม่มีไม่ได้หรอกนะแต่เราทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆมันขึ้นมาปุ๊บนะสะติรู้ทันนะ มันเหมือนตัดปับ๊บนะตัดทันทีนคะล้ายๆเหมือนกับสารานี้นะสมมติยุงนะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมหน้าฝนฝนตกยุงวางไข่ยุงก็เยอะหน่อยยุงเนี่ยเราจะบอกให้มันไม่ไม่มากัดเราก็ไม่ได้นะใช่แต่เรามีสติคืออะไรเช่นยุงมากัดปุ๊บมาจับปุ๊บเรามีสตินะ ก็ปัดมันออกไปอันนี้แหละนะเวลามันคิดเวลามันหลงก็แบบนั้นแหละนะเหมือนยุงมาเกาะคนที่มีสติเร็วก็จะรู้ทันเร็วนะคนที่ขาดสติก็จะปล่อยให้ยุงกัดจนเจ็บจนอิ่มนะแล้วมันก็ไปนะแต่ยุงกัดนะคล้ายๆเหมือนกับเรื่องที่มันเป็นทุกข์นะ เหมือนความโกรธเหมือนอารมณ์นี่ไม่ดีนะมันจิ้งมันกัดแล้วมันเจ็บนะมันมันเจ็บนะมันก็จะดู้ตัวได้เร็วแต่อารมณ์สุขนะมันเหมือนมันเหมือนทากมาดูดท่าเวลามันมาดูเลือดนะมันนิ่มนวลนะมันนิ่มนะมันไม่เจ็บนะไม่รู้ตัวนะถ้าเราไม่คอยสํารวจเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยแต่ยุงกัดเนี่มันยังเจ็บมันยังคันนะ แต่ธาตุมาดูดเนี่ยมันนิ่มนะมันอิ่มันแหละมันค่อยปล่อยพอปล่อยแล้วเลือดมันก็ออกนะเราก็เพิ่งรู้ตัวอันนี้แหละนะอารมณ์นะอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจเนะี่ยเราห้ามมันไม่ได้นะอย่าไปห้ามมันครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนให้ห้ามความคิดนะนะเราไม่ต้องไปห้ามความคิด ให้เรารู้ทันเวลามันคิดนะเราจะไปห้ามให้มันไม่หลงเลยนะแต่ให้เราฝึกรู้ทันเวลามันหลงอันเนี้เรียกว่ามีสตินะสตแิแปลว่าการระลึกได้เนี่ยระลึกได้ในสองลักษณะเวลางกายทําอะไรนะก็สติระลึกรู้ตัวนะถึงเห็นร่างกายเขาทำนะนะอันนี้คือเรียกว่ามีสตินะ จิตใจมันหงงไปคิดจิตใจมันมีอาการอย่างไรนะก็มีสติรู้ตัวนั่นแหละนแหละนี่ก็มีสติแล้วเนาะนเรียกว่าเห็นกายก็ดีนะหรือว่าเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมก็ดีนะ่ะสตินะมันจะทำให้เราเห็นน่ะเห็นนะถ้าเราเห็นเราก็ดูดออกมานะแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็จะ จมเข้าไปนะอันเนี้ยมันก็แค่สองอย่างนะอืถ้าเห็นมันก็หลุดออกมาแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยเราก็จะไปกับเขาอไปกับความไม่พอใจนะแม่หมากัดกันเป็นไงบ้างต <c oughs> ำคานไห ม, มปรุงแต่งไห ม, มบางทีก็ไม่ตาคานนะปรุงแต่งเป็นเหตุเป็นผลก็หลกเหมือนกันนะ <c oughs> แต่บางทีก็คิดเฉยๆนะคิดเฉยๆไม่ต้องอะไรมากไม่ได้เจือได้อารมณ์ก็ไม่เป็นไรนะอืมแต่บางทีความโลงเอ่ยมันก็มีหลายลักษณะนะบางอย่างเราก็หลงแบบเอาถูกเอาผิดเนะ อ, อันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดนะมีเหตุผลมา มาลองรับมีตักกะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายนะบางทีทางโลกเราก็ใช้แบบนั้นน ะ, นะที่จริงก็ใช้ได้นะใช้ได้แก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาโดยตักกะโดยเหตุผลโดยอะไรนั่นแหละแต่สิ่งที่จะมาพิจารณาว่าใจขนาดที่ทำนะ่ะใจขนาดที่คิดมันเป็นปกติหรือไม่ปกตินะ อย่างเช่นตัวอย่างนะสมมติหมากัดกันมาเห่ากันจะแก้ปัญหาแบบไหน <his spin. S 2> <G ül ps> สมมติถ้าเราโกรธไม่พอใจนึงก็จะรีบไปเลยคว้าไม้คว้าหินหนะไปไปดุไปด่ไปดาไปตีมันใ ห, มให้มันหยุดใช่ไหมก็อาจจะแก้ปัญหาทำให้มันเลิกกันให้มันเลิกเห่าเลิกกัดกันแต่กระบวนการที่เราตั้งแต่ที่เรา ได้ยินเสียงที่มันกัดกันนะเราก็ไม่พอใจละเราเดินลงไปก็เดินด้วยความหลงด้วยความโกรธใช่ไหมหยิบไม้หยิบหินมาฟาดมาคว้างมันก็ไม่พอใจมันอ่เนี่ยคือทำตั้งแต่ตอนคิดตั้งแต่ตอนทำเนี่ยถูกความโกรธมันพาทำเลยใช่พอทำไปแล้วมันยังไม่หายนีย่ก็ยิ่งโกรธเลยนะ <c oughs> เวลาบางอย่างนะ บางทีเราก็โกรธแบบนี้แหละนะบางครั้งมันหายไปเราก็ดีใจพอมันกลับมาใหม่ก็โกรธใหม่อืมอันนี้คือกระบวนการแบบนี้แต่ถ้าเราทำอีกแบบหนึ่งนะได้ยินเสียงนะอ่ะได้ยินแต่ว่าได้ยินแต่ถ้าใจมันโกรธนะก็รู้ทันใจที่มันโกรธพอรู้ทันปุ๊บมันดับไฟในใจของเราก่อน ถ้าจะไปคิดแก้ปัญหาก็คิดได้ใจที่ปกติละเพราะดับความโกรธแล้วนะความคิดก็จะเป็นเหตุผลที่เกิดจากใจปกติเดินลงไปนะก็เดินแบบเดินจงกรมไม่ใช่วิ่งไม่ใช่รีบร้อนนะก็เดินแบบเดินจงกรมไปนะจะได้จะคว้างก็คว้างด้วยไม่ใช่คว้างด้วยความโกรธนะคว้างได้นะคว้างหินคว้างอะไรก็ได้นะ อาตมานะเคยตอนนั้นไปวัดครูกรทองเห็นหลวงพ่อเห็นหมามันจะเข้ามาวัดนะแต่ก่อนหลวงพ่อนี่ไม่อยากให้มีหมาในวัดเลยนะหลวงพ่อไม่อยากให้หมามันกัดไก่หมามันจะเข้ามาที่วัดนะหลวงพ่อหยิบหนังสติ๊กเลยนะที่กุฏิหลวงพอมีหนังสติก๊กแล้วก็เอาลูกหินนั่นนะยิงมาเลยนะอาตมาก็ตกใจมากตอนนั้นบวชไม่นานแล้วก็ไม่หลวงพ่อไม่มีเมตตาเลย ทำไหลวงพ่อโกรธหมาล่ะอนี้เนี่ยหมามันยังไม่ทําอะไรเลยนะจะเข้ามาวัดเฉยๆก็ยิงมาแล้วนะหลวงพ่อก็ยิงไปนะเน่ไม่ถูกกันนะแต่เฉียดๆหมามันก็มันก็ออกไปจากวัดเราก็แบบอืทำไมหลวงพ่อทําแบบนั้นนะอะไรนะอหลวงพ่อก็พูดว่าหลวงพ่อก็คงเห็นเรามีท่าทีไม่ไม่ปกติเนาะหลวงพ่อก็พูดว่าหลวงพ่อ เไม่อยากให้มามันเข้ามามันจะกัดไก่เนี่ยมันจะมากัดไก่กัดกระรอกอะไรแนั้ น, นะอืมคือไม่ได้คือยิงหมาก็ไม่ใช่ว่าจะจะยิงให้มันเจ็บนะแต่แค่บอกให้รู้ว่าเออไม่ไม่อยากให้มันเข้ามานะไม่ได้ทําด้วยความโกรธนะแต่ทําได้อยากจะเตือนอยากจะสอนนะเขาเคยมีเหมือนกันนะ หลวงพ่อสอนคนนี่แหละนะตอนทํากําแพงวัดเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีการตัดต้นไม้ริมกําแพงวัดบ้างนะบางทีก็ตัดมากเกินไปมันตัดไปแล้วแหละนะหลวงพ่อก็มารู้ทีหลังหลวงพ่อก็ไปดุเลยนะมาตั้นขับรถให้หลวงพ่อไปที่กาแพงนะมันก็ไกลเนาะต้องขับรถไปก็นั่งไปกับหลวงพ่อพอไปถึง เห็นเขาก็ทำงานอยู่หลวงพ่อก็ดุคนที่คนที่คุมอะไรแหละนะผู้ใหญ่บ้านเขานะั่นแหละออกชื่อนิดนึงนะดุเลยนะคือไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่นะแต่อืมมันตัดตัดไม้มากเกินไปนะเอหลวงพ่อก็อาจจะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนอื่นคนทางไกลเขาจะติชินนินทาก็คงมีอยู่แล้วแหละนะหลวงพ่อก็แกล้งต้องแค่ว่าแกล้งโกรธนะ ดูตรงนั้นอนะคือโกรธดูแบบคนไม่รู้เรื่องนะ่ยคือโกรธดูเฉพาะหน้างคือโกรธว่าเลยนะดุนะแต่พอสักพักหนึ่งมันก็ขับรถกลับมาไม่มีอะไรเลยพูดปกติธรรมดาไม่มีค้างคือถ้าโกรธจริงมันจะค้างมคืกลับมาก็จะบน่นจะนั่นนี่ใช่ไหมเหมือนเราไม่พอใจสักอย่างเหตุการณ์หนึง่งต่อไม่จบอะ่ะเราก็จงติดอารมณ์เยอะก็จะพูด ย้ำพูดย้ำคิดเรื่องนั้นอยู่แต่พอหลวงพ่อแสดงแสดงนะแสดงเสร็จนั่งรถกลับมาก็ไม่มีอะไรละมันเป็นการแสดงแต่ได้ผล่ยถ้าไม่แสดงก็อาจจะมันก็อาจจะไม่ได้ผลไงหลวงพ่อก็แสดงบางทีมีลูกนะก็แสดงได้นะนะเวลาเขาทำผิด แต่แสดงแล้วเหมือนเหมือนนักแสดงนะเ อ, อพอผู้กำกับบอกสั่งคัด <c oughs> เราก็คัดได้นะเนี่ตอแสดงเสร็จนะเราไปทำอย่างอื่นเราก็วางมันได้นะเราก็วางได้เนเราทำงานก็ต้องมีบ้างแหละนะเป็นเจ้านายเป็นอะไรก็ต้องก็ต้องสอนก็ต้องเตือนคนที่ทำผิดใช่ไหมแต่ให้ทำแบบเป็นการแสดงนะอย่าไปทำแบบ อินไปกับอินไปกับเรื่องที่แสดงนะใจก็รู้ตัวเองว่าแสดงท่าทีไปนะแต่ใจลึกๆเองจริงก็คือมีแต่ความหวังดีมีแต่เจตนาดีมีแต่เมตตาแต่แสดงแบบนั้นไปนี่แหละนะมันก็คือการปฏิบัติธรรมนะเราก็จะเห็นนะบางทีมันก็ต้องทำหน้าที่ไปไม่ใช่ว่าการ การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องเฉยต้องนิ่งต้องปล่อยวางแบบไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่นะนั้นเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรเราก็ทำนะแต่ขอให้ทำด้วยใจทีนะ่ปล่อยทาด้วยใจที่ปกตินะตอนไหนมันยังไม่ปกติถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็อย่าพิ่งทำนะนะนอกจากบางเรื่องที่มันจาเป็นเร่งด่วนก็ต้อง ออไม่ปกติก็ต้องทํานะเช่น <c oughs> ไฟไหม้ไปเลยนะ <c oughs> ไฟไหม้ก็เออใจยังถ้าแบบจะรอใจหายตื่นเต้นก่อนแล้วค่อยไปหานา้ําหาอะไรมันก็ไม่ทันนะเออ <c oughs> ก็ไม่ปกติก็ดูไปเรื่อยนะจะวิ่งไปก็ดูใจมันตื่นเต้นไปด้วยก็ได้นะเ อ, อแล้วก็ดับไป อ, อก็ได้นะั่น แต่ถ้าอากะถ้าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องรีบนะแต่กิเลสนะมันจะหลอกให้เราต้องรีบนะเช่นบางอย่างนะเห็นคนเขาทำผิดเนี่ยบางทีเราก็จะเอาตอนนั้นเลยนะโกรธขึ้นมาปุ๊บนะความคิดก็จะหลอกว่าต้องสอนมันตอนนี้เลยไม่งั้นมันไม่จำต้องเอาแรงๆเลยไม่งั้นมันไม่เข็ดอออ มันจะคิดมันจะดอกเราแบบนี้แหละนะพอเราทําปุ๊บนะโอ้เขาาจะหยุดแต่พอเราพออารมณ์เราคลายไปเราก็มาคิดอีทีโอเสียใจเราะเราทํามันแรงไปนะเขาด่าออกไปเลยหรือเขาเกียดเราไปเลยนะมาคิดอีทีก็เสียใจใช่มอันเนี่ยคือเวลากีเดทมันเกิดขึ้นนะมันจะดอกเรานะแต่ลองดูถ้าไม่ใช่เรื่อง รีบร้อนจําเป็นก็มาดับไฟในใจของเราก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะแล้วค่อยไปจัดการก็ได้นะมันจะ จ, จัดการได้ไม่เรียกว่าไม่เสียใจภายหลังนะแต่ถ้าเราจัดการด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสเนี่ยทำแล้วมันจะเสียใจภายหลังนะแต่ถ้าทําด้วยสติด้วยปัญญานะจะไม่เสียใจภายหลังแม้ว่าทําแล้ว ไม่สำเร็จนะก็ไม่เสียใจนะหรือทำแล้วสำเร็จก็มีหลงดีใจนะหรือดีใจก็รู้ทันเวลามันดีใจนะนะหรือเสียใจก็จะมารู้ทันไม่ไปจมกับความเสียใจนะนนี้คือถ้าเราทำด้วยจิตที่ปกตินะมันก็จะ อ, อ, อะไรจะเกิดขึ้นตามจากนั้นก็ยอมรับได้นะก็ยอมรับได้ อันนี้คือบางทีเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตโดยปกติเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละนะก็ต้องฝึกปฏิบัติธรรมทั้งในรูปแบบเนาะนะเดินจงกรมนั่งร้างจังหวะนะหรืออาณาปานาสติอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปแบบรูปแบบเนี่ยคือเป็นตัวเหมือนตัวติวนะตัวฝึกนะ มีเวลาว่างก็ทําเลยนะในรูปแบบนะทำเยอะๆนะหลังเยะเราอยู่วัดเนะี่ยมีเวลาเยอะเลยนะได้ทําในรูปแบบนะได้ซ้อมบ่อยๆนะแต่ให้ทําแต่ให้ทํำด้วยอาการเหมือนทําด้วยความผ่อนคลายนะทําแบบทําแบบเล่นๆแต่รู้จริงๆ <c oughs> หลวงพ่อเทียนบอกทําเล่นๆแต่รู้จริงๆนี่นะีนะ แต่ก่อนนีน่เราคิดว่าเด่นก็คือไม่สนใจนะเด่นก็ปล่อยไปเลยนะทาเล่นเด่นก็คือทำด้วยท่าทีที่ไม่ใช่จะทำแบบจะเอานะทำแบบเคร่งเครียดนะให้ทำแบบสบายๆทำแบบผ่อนคลายนะแต่ให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเดินก็เดินผ่อนคลายลตนะ่นะอย่าไปอย่ามาเคยโลงนะบางทีตอนใหม่ๆ เวลาเราจับมือนะอันนี้มีรู้คนอื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแล้วจับมือนะก็คิดนะแต่ทนะ่านี้นะสมมติจับไว้ข้างหน้าเนี่ยต้องเอาสักครึ่งชั่วโมงอะไรนะ้นนะควายหลังก็ต้องเอาสักครึ่งชั่วโมงนะถ้ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะปวดก็ไม่ปล่อยไม่เปลี่ยนนะก็ไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนกันนะแต่มันคิดว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะดี <c ười> คิดว่าถ้าทําแบบนี้มันจะดีนะ ทำแบบนี้มาถึงจะเป็นการฝึกนะแต่จริงพอมารู้สึกตอนหนังโอ้ยอันนั้นแหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าสีนภัตตปรามาจางหนึง่งเราคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เรามีธรรมะขึ้นมานะจริงนะเดินก็เพียงแค่รู้สึกนะจะท่าไหน ถ้ารู้สึกนั่นแหละถูกต้องเดินจะเก็บมือท่าไหนนานนะหรือนั่งท่าไหนได้นานนะถ้ามีรู้สึกตัวมันก็ไม่ใช่นะอืจะนั่งเฉยเฉยรู้สึกตัวว่านั่งอยู่ก็ถูกเหมือนกันนะไม่ต้องยกมือตลอดเวลาก็ได้นะอของคนนะั่นก็พูดไปยกมือไปไ ม, ไม่รู้ว่ารู้สึกตัวหรือเปล่านะอืม นั่งฟังทำรรนะก็เหมือนกันนะนจะยกมือก็ได้ไม่ยกมือก็ได้นะแต่ขอให้รู้สึกตัวฟังทรรมไปเนะี่ยก็ฟังธรรมะไปเฉยๆก็ได้นะนรู้ในสิ่งที่ฟังรู้ทันใจชอบก็รู้ทันไม่ชอบก็รู้ทั น, นถ้าฟังแบบนี้ได้นะ ไปดูไปฟังหมามันกัดกันเนี่ยก็จะฟังธรรมะได้คืออะไรหมามันกัดกันเออชอบใจนะหมามาเด้อกัดกันเงียบไปละเออก็ชอบเออไม่ใช่พูดผิดเนาะหมามันกัดกันไม่ชอบใจเนี่ยรู้ทันใจมันเด้อกัดกันพอใจนะก็รู้ทันเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยถ้าฟังแบบนี้ได้นะฟังแล้วย้อนกลับมาเห็นใจของเราเองได้เนี่ยอันเนี้ยะ คือฟังธรรมจริงๆนะมันจะเห็นอะไรที่เข้าใจธรรมะนะมันไม่ใช่แค่เห็นว่าชอบใจไม่ชอบใจหรอกนะแต่มันจะเห็นว่าความชอบใจก็ไม่เที่ยงความไม่ชอบใจก็ไม่เที่ยงอืา ม, มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอ่อือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่อยากเกิดมันก็เกิด มันบังคับไม่ได้นะอืมันได้ยินเสียงปุ๊บนะ่ะมันคิดปับ๊บมันไม่พอใจปั๊บนะ่ะมันเป็นของมันเองอันนั้นเรียกว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนนะเ น, นี่ยเราเห็นธรรมะคือเห็นตรงเนี้แหละนะคือสิ่งที่มันเห็นนะ่ยมันเป็นแค่อาการนะกายเคลื่อนไหวก็ดีนะหรือว่านะอาการที่มันเกิดขึ้นกับ จิตใจก็ดีมันเป็นเพียงแค่อาการอันนั้นไม่ใช่ว่าเห็นธรรมะนะเห็นอาการอันนั้นเป็นเรียกว่าเห็นอาการแต่เห็นอาการมันเกิดมันดับนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมเห็นอาการที่มันไม่เที่ยงเป็นแบบนี้อ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปนเห็นมันบังคับไม่ได้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะเออ หรือมันเป็นทุกข์เนี่ยนี่ถ้าเห็นธรรมะนะที่เห็นแบบนี้นะเห็นอาการที่มันเกิดมันดับนะเห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นอาการที่มันบังคับไม่ได้เห็นอาการต่างมันเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมนะนั้นจะดูกายก็ดีนะนะก็เห็นกายเนี่ยนะมันเกิดดับทีละขณะนะรูปหายใจเข้าก็หนึ่งขณะ รูปหายใจออกก็หนึ่งขณะนะรูปหายใจเข้าใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดรูปหายใจออกหรือรูปที่พลิกมือนะก็หนึ่งขณะเกิดพลิกใหม่นะก็1ขณะนะคล้ายๆเหมือนกับมันเราถ่ายรูปอะเราจะถ่ายรูปคนก็ดีถ่ายรูปธรรมชาติก็ดีนะรูปมันมีตลอดเวลาเลยนะมันถึงรูปที่เป็นวัตถุนะตลอดเวลา แต่ขณะที่เราถ่ายปุ๊บเนี่ยมันได้หนึ่งภาพถ่ายปุ๊บกดทีเท่าไหร่นะก็คือการเห็นเราทีเท่านั้นแต่กดทีทาขณะก็คือการเห็นทีทาขณะมันทีแบบนั้นน ะ, นะเนล่เราเห็นร่างกายก็เวลาจะทีหรือไม่ทีมันก็ขึ้นอยู่กับสติน ะ, นะแต่มันเห็นเป็นช็อตเห็นเป็นช็อตนะมันเราถ่ายภาพทีละภาพทีละภาพนะ กายมันมีตลอดเวลาก็จริงนะแต่เราไม่สามารถจะเห็นตลอดเวลาหรอกนะเราเห็นบางทีทีละขณะทีละขณะทีละขณะถ้าสติมันเกิดขึ้นบ่อยก็เห็นได้บ่อยนะถ้าสติมันเกิดน้อยนะก็นานๆเห็นทีนะสิ่งที่เราฝึกก็คือเนี่ยฝึกสติระ ล, ลึกรู้บ่อยๆนะรู้ตัวบ่อยๆทำอะไรก็รู้ตัวบ่อยๆนะ อะไรก็ได้นะนะ่ะที่มันไม่ผิดศีล น, นะนะรู้ตัวได้นะแต่ถ้าบอกว่ารู้กายแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะกินเหล้านะ่ะรู้สึกยกแก้วรู้สึกคกืนดื่มลงไปเนี่ยมันไม่ใช่นะมันกายมันรู้ก็จริงนะแต่ใจมันเฉโกตจบยุ่งนะมีสติจบยุงเหมือนนะแต่ใจมันบอกใจหมอกจะเอาให้ตายเมืนนะไม่ใช่นะ่ไแต่ถ้า ใจมันเออใจมันคิดแค่ปัดใจมันไม่มีใจไม่ได้จะทำผิดศีลนะแต่จะปัดแต่แหละแต่มันไม่ยอมไปนะเอเอิญมันตายอันนี้ไม่ผิดศีลนะคือใจเราไม่ได้เจตนาจะฆ่ามือก็ทำไปจะปัดมันนะแต่มันไม่ยอมหลบนะมันก็มาเออเราก็กะจะมาไม่ถูกมันก็แรงไปหน่อยอยู่มันตาย แบบนี้ไม่ผิดศีลนะแต่นะสมมติโกรธนะจะตกอ่าปุ๊บนะนี่ผิดศีลเต็มเ็มนะตือแม้แต่ตกไม่ถูกนะก็ยังผิดศีลมากกว่าไอ้คนที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตบยุงนะแต่ยุงมันตายนะนี่คือศีลจริงๆก็คือเจตน า, าเจตนางดเว้นนะจากการฆ่า เจตนางดเว้นจากการนักเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการมนะเจตนาในการงดเว้นจากการพูดไม่จริงนะพูดที่จริงมก็มีเยอะกันนั้นเจตนาในการงดเว้นจากการไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาต่างๆสิลจริงๆก็คือเจตนานะสินนี่ไม่ใช่แบบ รับจากพระแล้วก็มีศีลแล้วนะไม่ใช่นะศีลจริงๆคือมีโอกาสจะทำเนะี่ยต้อไม่ทำนะเนี่ยจะเป็นศีลนะจริงๆนะถ้าแบบศีลแบบอยากจะทำเนี่ยแต่มันทําไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นศีลจริงจริงนะอย่างเช่นคนแก่มากๆานะคนแก่นอนติดเตียงนะ เขาทําอะไรไม่ถูกใจนะอยากจะไปตีเขานะแต่มันมันอยู่ไกลลุกขึ้นไปตีเขาไม่ได้เนะี่ยไม่มีสิทธินะใช่ไหมจิตมันโกรธเนอะแต่มันไม่มีกําลังจะไปไ ม, ไม่มีกําลังจะไปนั่นเขาหรือบางทีเราคุยกับคนต่างประเทศ น, นะบางทีถูกเขาดอกอยากจะไปด่ามันนะแต่พูดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่ามีสิทธินะแต่มันทําไม่ได้เฉยนะอืออือหรือเด็กนะ ไม่พอใจผู้ใหญ่นะเราตัวได้กทุ่ไม่ไหวก็อืมไม่ทํามันนีไม่ใช่ว่าเรามีศินนะแต่กลัวมันจะทําเรากลับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยศินจริงๆคือเจตนามีกําลังที่จะทําแต่ไม่ทํามีโอกาสที่จะทําไม่ทําเนี่ยคือศินนะเจตนาตอนนี้คือศินนะสมาธิคือจิตตั้งมั่นนะ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะที่เราฝึกสติเนี่ะให้เกิดผู้รู้ผู้ดูคือฝึกให้เกิดจิตตั้งมั่นนะจิตผู้รู้เนี่ยคือจิตที่ถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะคําว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาใจไปจมอยู่ในเท้าอยู่ในมือหรือใจไปอยู่ในลมหายใจนะแต่ใจเป็นผู้ดูนะ เห็นกายเขาเดินเห็นกายเขาเคลื่อนไหวเห็นกายเขานั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกดูมันนะแต่อย่าไปดองอีกแบบหนึง่งก็คือว่าเออแล้วใจมันอยู่ตรงไหนอย่าไปหาดูนะนะก็แค่รู้สึกนั่นแหละนะให้รู้สึกแบบแยกๆว่านะเออกายก็อันนึงนะใจที่รู้ก็อันหนึง่งแต่อย่าไปหา ดูว่าไอ้ตัวรู้มันอยู่ตรงไหนะไอ้ใจมันอยู่ตรงไหนมันหาไม่เจอหรอกนะมันเราเอาใจไปหาใจเนี่ยมันหาไม่ได้นะนะเอาจิตไปหาจิตนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันเหมือนบิ่งมันคล้ายๆเหมือนถ้าเปรียบนะเหมือนมอเตอร์ไซค์น่ยมันมีสองล้อนะอย่างงั้นมันก็ไม่ทันกันเน่ะมันก็อยู่กันคนละอันกันนะ คือจิตมันก็เกิดดับทีละขณะนะเอาจิตให้มันไปเจอจิตโดยตรงทันทีมันก็ไม่ได้หรอกมันร้องมอเตอร์ไซน้ำมันก็วิ่งไปนะพราพร้อมกันนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ไม่ทันกันนะนะเอาจิตไปหาไล่ดูจิตนะก็หาไม่ได้นะอืมนะตัวรู้ตัวดูนะก็อย่าไปคอยหาว่ามันอยู่ตรงไหนนอ่ใจมันเป็นแบบไหนนอมันอยู่ตรงไหนอย่าไปคอยนะแค่รู้สึกตัวนั่นแหละนะ มันก็ถูกแล้วนะนะแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ต้องไปประคองมันนะเพราะตัวผู้รู้มันก็เป็นอาการเกิดดับเหมือนกันนะผู้รู้มันไม่ใช่จะอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหรอกนะมันก็เกิดแล้วก็ดับลงทีละขณะดังนั้นรู้สึกจบรู้สึกจบรู้สึกจบนะมีแต่รู้ตัวตรงที่ปัจจุบันแค่นั้นแหละนะถ้ารู้สึกตัวแบบนี้ได้นะ อดีตก็จบไปแล้วเช่างหัวมันอนาคตเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะไม่เห็นต้องไปกนะังวลมันเลยนะมันเกิดขึ้นมาก็รู้มันตอนนั้นน่ะแหละอ <c oughs> อันนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวมันจะทุกมาท่าไหนนะเดี๋ยวมันจะกิเลสตัวไหนมันจะมานะ่ะไปคอยดูมันไปคอยดักไปคอยรอนะไม่ต้องนะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้นะ่ะแค่นั้นแหละนะคล้ายๆเหมือนเราไม่ต้องไปทําอะไรเลย มอนเรานั่งดูทีวีน่ะเขาจะแสดงอะไรก็ดูมันเขาอยากจะพูดอะไรก็ดูมันฟังมันนะเราไม่ต้องไปคอยจัดการนะไม่เหมือนเราดูวิดีโอน่ะมีดีโมดคอยคอนโทนหยุดอยากจะดู น, นี้ก็หยุดไว้อยากจะดูอันหลังก็รีเพย์นะอยากจะไม่อยากดูอันนี้อยากจะไปดูข้างหน้าเราก็ทำให้มันเร็วขึ้ น, นไปดูข้างหน้า มันไม่ใช่ไปดูแบบนั้นมันเหมือนดูแบบทีวีที่เขาปล่อยขึ้นมาเราเลือกไม่ได้เราก็ดูมันดูแบบอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ดูมันดูมันเห็นมันตามที่มันเป็นจริงแต่ก็อย่างที่ว่ามันจะเกิดธรรมะเกิดปัญญาก็คือเห็นมันเกิดดับเห็นมันบังคับไม่ได้เห็นมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อันนี้คือ เราก็ดูแบบนี้นะไปเรื่อยๆเนี่นั่ะนะคือการปฏิบัติธรรมนะก็เราอย่าไปทําใจให้มันผิดธรรมชาตินะทใจซึมๆทําใจแข็งแข็งทใจนิ่งนิ่งอะไนะ้นมันผิดธรรมชาติให้ใจเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาใจธรรมชาติแหละเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูไปหรือใจมันจะกลายเป็นผู้หลงไปบ้าง ก็มีสติเป็นผู้รู้ทันตามรู้ตัวที่มันลงไปนะฉะนั้นวั น, ว, นวันหนึ่งนะมันก็จะถ้าจะว่าไปจริงนะก็หลวงพ่ อ, ขอเขียนเนี่ยเด็ดขานมากท่านบอกที่จริงไม่มีอะไรนะมีแต่รู้กับหลงมีแค่สองอย่างแนะไม่มีอะไรนะ <c oughs> วันวันหนึ่งนะดลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้ <c oughs> มีแค่นี้จริงๆปฏิบัติธรรมนะมีแต่หลงกับรู้นะ จะเอารู้ตลอดเลยก็ไม่ได้นะจะบังคับนะลงไปแล้วก็รู้ลงไปแล้วก็รู้อันนั้นเนาะสิ่งที่เราฝึกนะเรียกว่าฝึกให้มันมีสติเกิดขึ้นบ่อยๆนะเกิดขึ้น บ, บ่อยๆวันวันนึงก็จะเราก็จะเห็นความหลงบ่อยๆเห็นกิเลสมันเยอะแยะมากมายนะไม่เป็นไรก็ดูมันไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะ เราก็ทำแบบเนี้ยบ่อยๆอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรนะเห็นครั้งหนึ่งก็ถูกแล้วเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ถูกแล้วนะอย่าไปคิดแบบโอ้ยทํำไมมันโกรธอีกแล้ว <c oughs> ทำไมมันคิดเรื่องนี้อีกแล้วนะที่จริงมันโกรธก็ไม่ใช่ตัวเก่าโกรธคิดมันก็ไม่ใช่ตัวเก่าคิดนะแต่เพราะเรามีความเห็นผิดว่าอดีต มันมาต่อปัจจุบันแล้วก็กลั ว, วอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกนะที่จริงนะเส้นเวลามันไม่ใช่อดีตไม่ใช่เหมือนเส้นตรงยาวแบบนี้นะไม่ใช่เหมือนขีดยาวเหมือนเด็กเส้นอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่นะที่จริงมันมีแค่ปัจจุบันเกิดดับอนาคตก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกนะมันมีแต่ปัจจุบันที่เกิดนะอดีตมันก็ไม่ใช่ว่าเชื่อมปัจจุบัน อนาคตก็ไม่ใช่เชื่อมปัจจุบันนะมันเพียงแค่อดีตก็คือสิ่งที่ผ่านไปอนาคตก็คือสิ่งที่ยังไม่มาแต่มันมีแค่ปัจจุบันที่เป็นแค่ขณะเดียวเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่เราไปยึดนะปัจจุบันก็คือแค่รู้นะแค่รู้มันดูมันน ะ, นะก็ฟังเข้าใจก็เข้าใจนะ อ่าฟังไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจงงก็ไม่เป็นไรนะอะ่งงก็รู้ตัวว่างงนะอะ่ถ้าชอบมันก็ปล่อยมันไปนะอย่าไปยึดสิ่งที่มันชอบนะก็ดู้มันอย่างที่มันเป็นน่ะแหละนะมันผ่านไปก็ผ่านไปนะเทศจบก็จบนะโยมก็ไปปฏิบัติธรรมต่อก็คงพอสมควรแก่เวลาอ่ะกลาวพระ ก, กัน